ขุชาวิสัชนาธรรกับท่านหลวงตานรศักษิ์ทีนานรโยตตอนเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้ดูจิตผ่านการตอนที่สองอ <ใน S 1> ครัเบื่เิหน่อยครับอากล่องอยู่ใกล้ๆนะเอามาให้ห น, น่อยนี เราจะเห็นว่าตำชาทางเข้าใจงึๆๆๆ๊งงงงเอาไหนอธิบายเราต <c oughs> ัวนี้ครับ <c oughs> ก็ฟังดูแล้วก็เหมือนจะเข้าใจเข้าดวงตาแต่ เ, เข้าใจยังไงอธิบายเราฟัางเลยอ่ะคือพอเราเหมือนที่ดวงตาว่าครับเหมือนเลขหนึ่งไทยอะครับคือแต่ก่อนมันก็กว่าจะรู้เรื่องที่เราคิดอะไรเนี้ยมันก็เผลอนานครับพอเราอ่ามาฝึกแล้วมันก็รู้สึกว่าเรื่องต่างๆมันก็สั้นลงสั้นลง แล้วก็มีบางครั้งที่มันแบบว่ามันเหมือนแบบเพิ่งจะเกิดแต่ว่าเรารู้ทันก่อนอ่าก็มันก็จะบางครั้งมันก็จะมีความรู้สึกเออเราใช้ได้อะไรเงี้ยมันก็จะแอบดีใจด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็อ่ามันก็จะพอนานๆเข้ามันก็จะติดไปเหมือนเดิมมันก็เหมือนจะห่างเล็กนิดหนึ่งมันก็จะยาวขึ้นอะไรเงี้ยครับไอไอตัวแรกอ่ยตัวที่แลนจะเริ่มขยับไปคือความรู้สึกว่ามีตัวเราเนี่ย เราเก่งเออเราดีไว้เอยเราเราเห็นชัดเออเออตัวนี้คือตัวกิราริยาการจะต้องถูกรู้ครับเออพอเราไม่รู้เลยเออตัวเราเก่งไว้เอยเออเราดีเออเราเราเพราะอันี้เนี่ยเป็นกิราการที่เราจะต้องถูกรู้มันเป็นกิราการที่ที่มันเริ่มต้นจะไปต่อแล้วออไปตัวอื่นต่อใช่ครับ แ, แล้วแล้วมันก็มันก็จะเรื่องยาวบ้างสั้นบ้างไปตามยถานรําของมันไปตามสภาพขอ ง, ของ ม, มันเรารต้องศึกษามากมาก เราจะฝึกก็คือเราเราอยู่คนเดียวเนี่ยวางจากหน้าที่การงานมาเนี่ยเราอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่ได้ไปทำนั่งสับตาหนิ่งๆไม่ได้ไปทำเดินจมกรมทำใจนิ่งๆเนี่ยนะคืออยู่คนเดียวเนี่ยให้สังเกตที่ประตูใจคือทําให้ทําให้เหมือนกับประตูตาประตูหูให้มันรู้ประตูใจเหมือนกับประตูตาประตูหูคือมีรูปเข้ามาตาถึงเห็นมีเสียงเข้ามาหูจึงได้ยินมีกิยาการเกิดขึ้นใจถึงรู้ไม่ใช่ว่าไปรู้ก่อน หรือไปรู้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตอย่างนี้มันเป็นไมันไม่ใช่ธรรมชาติธรรมชาติของภาตรู้มันเป็นธรรมชาติของการรู้เนี่ยมันต้องรู้ในปัจจุบันขณะคือต้องมีรูปที่ไม่เห็นในปัจจุบันขณะตาถึงเห็นต้องมีเสียงดังขึ้นในปัจจุบันขณะมันถึงได้ยินเสียงในปัจจุบนันถ้าเราไปรู้รูปในอดีตแสดงว่าเราปรุงแต่งไปเราไปรู้เรื่องในอนาคตแสดงว่าเราเนี่ยปรุงแต่งไปเราั้นเราต้องรู้ปัจจุบันขณะคือต้องมีรูปปัจจุบัน มีเสียงปัจจุบันมีอาการของใจปัจจุบันมีความคิดลึกติดต o n ในปัจจุบันแล้วก็ถึงจะรู้มันจะต้องมีมีสิ่งที่ถูกรู้โผล่มาก่อนและผู้รู้มันถึงจะรู้คเราก็ต้องฝึกอย่างเงี้ยทีนี้เราอะตอนเราฝึกๆมันก็จะต้องพลาดพลาดอยู่นะธรรมดามันยังไม่มีอาการให้รู้เลยเราไปจ้องรู้ก่อนละมันยังไม่มีอาการโผล่มาเลยไปคอยรู้แหละมันยังไม่มีอะไรเลยไปคอยสังเกตเละ ไอท้ทีไปคอยรู้ไปคอยดูไปคอยสังเกตเนี่ยนี่แหละคือเป็นกิริยาการที่มันเริ่มต้นให้จะต้องเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่เราจะพลาดไปโดยเราลืมเอามันเป็นตัวรู้ไปเลยเข้าใจไหมใช่ครับคือพอเรารู้ปุ๊บอ่าเราก็จะหลงพอพอหลงแล้วเราก็อา้าวหลงอีกแล้วขายนี้ก็ก็จะกลับมาในการจ้องดูแล้วครับหลวงตาแต อ, อ พ, พอจ้องดูแล้วแล้วก็พอรู้ว่าอ้าวดี๋ยเราหลงไปอีกแล้ใช่ครับหลงไปจ้องดูก่อนแล้วก็ละมา คือมันจะมีการอะไรเราไปจ้องดูก่อนแล้วแล้วก็ละมาคือถ้ามันมีกิริยาการก่อนก่อนที่เราจะไปรู้เนี่ยไอเ น, นี้ยหลงหมดเลยต้องละมาทาันละมาเอาใหมา่ใหมา่แล้วก็เดี๋ยวมันมีกิริยาการปุ๊บเรารูลล้กิริยาการนั้นที่หลังใช่ครับผ ม, <ล>ผม เ, เรียนแลน้วก็จะเผลออีกอะเผลอไปจ้องก่อนแล้วเผลอไปสังเกตเผลอไปพยายามรู้อ้าวหลงอีกเราเว้ยเอาใหม่เอาใหม่เรืเอาา่องปกติไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียส แต่มันอยู่ที่การฝึกขยันฝึกเดี๋ยวก็หลงอีกแล้วะปั๊บเดียวรู้ ป, ปั๊บเดียวหลงอีกละรู้ปั๊บเดียวหลงอีกละแต่ขยันฝึกบ่อยๆอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วก็อย่าไปเริ่มต้นก่อนขอเริ่มต้นสังเกตก่อนอ่าเอ้คือหลงแล้วก็ต้องละออกมามันยังไม่มีกิยาการให้รู้เลยเริ่มต้นไปสังเกตก่อนละอยู่คนเดียวเงียบๆสังเกตละอยู่คนเดียวเงียบพยายามจะดูละอยู่คนเดียวเงียบพยายามจะรูล้ละ อยู่ก็เดียวเงียบๆเอ๊ะทำไงมันจะรู้วะอ้าวไปอีกแล้วอยู่ก็เดียวเงียบๆเฮ้ยทายังไงมันต้จะถูกวะเนี่ยเขาก็ไปอีกแล้ ว, น, น, วนีว่คือก็คือหลงไปก่อนแล้วเราก็ต้องเห็นมันแล้วต้องละเลยคือต้องรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆโดยที่เราไม่เริ่มต้นก่อนเลยเป็นอันขาดถ้าเราเริ่มต้นก่อนเนี้ต้องละเลยแม่พออยู่ก็เดียวเงียบๆแบบเอาละทําไงจะมัจะพ้นทุกข์ได้เอ๊ะมันฝึกยังไงวะเอ๊ะอย่างนู้เออย่างนี้นี่คือหลงไปแล้วหลงไปปรุงก่อนแล้วโดยท มันยังไม่ได้รู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เราหลงตึกตองไปแล้วอเดี๋ยวไอ้กะละมาละไปกะเอ๊ะวิธอย่างนี้ถูกว่าอ้าวยังไม่ทันไปอะไรนี่ไม่ทันรู้เลยเราไปก่อนแล้วเอ๊ะอย่างนี้มันถูกหรือผิดวะเอ๊ะหรือทำอย่างนี้ถูกว่ะไอเนี่ยคือหลงอีกแล้ ว, ลวรเราก็เอาหม่ยละมาคือท่าเราเนี้ยไม่รู้ที่มันกยายการของจิตที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี้ยแต่เราเป็นคนคิดตัเองเนี่ยอันเนี้ยหลงข้างนั้นเนี้ยเราต้องละมา พอเราล่ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นกิริยาการของจิตจริงๆแต่มันจะมันจะไม่เป็นหลักเลยวะเอ้ไว้ทํามันทําผิดเรื่อยเลยวะอันนี้ก็หลงอีกแล้วเราก็เห็นหลงไปคิดอีกแล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยรู้ไปอย่างนี้วะเรื่อยจะไปอย่างงั้นเอ๊ะมันเปอย่งไรเออเออนี่หลงทั้งนั้นแหละหลงไปปรุงทั้งนั้นแหะเราก็ล่าออกมาล่ามาเรื่อยๆล่ามาเรื่อยๆล่าออกมาล่าออกมาเดี๋ยวต้องมันมาเป็นเอ้เอ้เอ้หัวศูนย์เลขหนึ่งไทยอ่ะสุญญตาล่าุบ แล้วก็มีกิริยาการของจิต <ing> ให้ได้รู้จนกระทั่งเราเนี่ยไม่มีตัวเราเนี่ยตั้งไว้เลยถ้ามีตัวเราตั้งไอตัวเราตั้งนี่แน่ไอ้เนี่ก็คือเป็นอกิริยาการแล้วจนถึงตัวเราตั้งก็ไม่มีคือปล่อยวางหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็มีกิริยาการแล้วแต่นี้่ก็ได้แต่รู้ตามหลังรู้กิริยาการที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราไม่ไม่ไม่เป็นตัวตั้งเอาไว้หรือตัวเราที่เป็นแสดงกิริยาการเราก็จะเป็นศูนย์เป็นศูญย์ยตาคือกลางเลขหนึ่งไทย ตอนี้พอมีกิยาการเกิดขึ้นันก็ได้แต่รูแ้แหละตอนนี้มันก็จะไม่เป็นหลงมันก็ไม่ใช่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่ยากเพราะว่ามันสามารถที่จะฝึกได้ที่จะฝึกได้มันมันก็ไม่ใช่ยากที่จะฝึกที่จะฝึกเราว่านะไม่ใช่มันก็ไม่ยากที่จะฝึกเราคิดดูเิพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรา ถ้านเป็นเด็กเลี้ยงควายอ่ะพวกแม่ครูาอาจารย์นี่เป็นเด็กเลี้ยงควายทั้งนั้นนะท่านยังฝึกจนเป็นอหรหันต์ได้เรานี่ก็มีสติปัญญามีสิบดิวของท่านมีความฉเฉลียวฉลาดเรามันขาดการฝึกแค่นั้นเนี่ยเราว่ามันมีสติปัญญาทั้งนั้นเนี่ยพวกเราทุกคนเรียนสูงๆกันนั่นเองพอแม่ครูาอาจารย์เด็กเลี้ยงควายนะเนี่ยลุงปูดูนตุโลเนี่ยไปบอก กับลวงู่มั่นน่ะท่านบอกได้แม้กระทั่งว่าท่านหลงเนี่ยหลงไปปรุงเองอ่ะหลงไปปรุงเองแล้วก็ละออกมาได้เนี่ยหลงไปปรุงแล้วละออกมาได้หลงไปปรุงแล้วเริ่มรู้เนี่ยเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวก็หลงอีกแล้วเป็นผู้รู้แล้วก็หลงอีกเป็นผู้รู้แล้วก็เป็หลงอีกเนี่ยจนทั้งเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยกี่ส่วนท่านบอกได้ถึงกรนาดนี้เลยอ่ะอ่าตอนนี้แบ่งออกเป็นสี่ส่วนตอนเนี้ยเป็นผู้รู้ไปแล้วหนึ่งส่วนคือหลงซะสามส่วน ท่านบอกได้ขนาดนี้เลยสมมติว่าลงได้สะลงสามส่วนคือวันหนึ่งเป็นผู้รู้ได้สมมติว่าไม่ต้องวันเนี่ยเอาแค่นาทีหนึ่งเนี่ยนาทีหนึ่งท่านบอกบอกได้เลยว่านาทีหนึ่งแบ่งเอาเป็นสี่ส่วนในหนึ่งนาทีเนี่ยลงไปปรุงใช่หลงไปปรุงลงไปปรุงทั้สามส่วนแล้วก็ละออกมาแล้วมาเป็นผู้รู้ได้หนึ่งส่วนแล้วก็ลงไปทะ้สามส่วนท่านบอกได้เลย ไปเล่าให้แล้วปู่ม่านฟังปู่ม่านรับรองว่าใช่ถูกต้องแล้วถ้าก็ทํางี้อีกแล้วก็หลงไปเป็นวนปุงหลงไปคนปรุงแต่งแล้วก็ละออกมาแล้วมาเป็นผู้รู้ละออกมามาเป็นผู้รู้แล้วก็หลงไปเอาตัวเข้าไปปรุงแต่งเอาตัวเข้าไปคิดเป็นนึกเป็นตึกไป็นตอแล้วมาเป็นผู้รู้อย่างเนี้ยพอจะเป็นผู้รู้ปุ๊บก็ไม่เป็นกิเลสไงถ้าหลงไปเป็นผู้ปุงก็เป็นกิเลสเป็นเป็น เป็นผู้หลงไงไม่ใช่เป็นผู้รู้ก็เป็นผู้หลงคือหลงเอาตัวเราไปปรุงก็เป็นผู้หลงอยู่แล้วไม่เป็นผู้รู้อันเนี้ยมันก็เลยพอเป็นผู้รู้สักกระลุยเลยว่าตอนเนี้ยเป็นผู้รู้และวสองส่วนเป็นผู้หลงสองส่วนหลวงปู่บ้านบอกว่าใช่หลวงผู่บ้านตรวจสอบแล้วเออใช่ถ้ากระยังอีกเป็นผู้รู้แล้วเป็นผู้หลงเป็นผู้หลงเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เป็นผู้หลงอย่างเงี้ยพอมันหลงไปก็ คืรู้สึกตัมามันหลไปก็รู้สึกตัวมาแล้วก็มาเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้แป๊บเดียวหลงอีกแล้วเป็นผู้รู้แป๊บเดียวหลงแต่ท่านเป็นผู้รู้บ่อยๆมากขึ้นท่านเลยรู้ว่าตอนนี้เป็นผู้รู้แล้วสามส่วนเป็นผู้รู้จนกระทั่งเป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้หลงเลยร้อยร้อยเปอร์เซนหมดเลยบรรลุอรหันต์ไปหลวงปูกก่ไม่เคยรับรองว่าใช่เราเลยมาพิจารณาดูว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์น่ะท่านเป็นเด็กเลี้ยงควาย ท่านยังทําได้ถึงขนาดเนี้ยทําไหมเราจะทําไม่ได้กันทุกคนน่มันขาดแต่การฝึกฝนแค่นั้นแหละพันฝึกฝนของท่านตลอดเวลา จ, จนท่านอ่านขาดเลยว่านี่มันหลงไปแล้วกี่ส่วนรู้กี่ส่วนหลงไปแล้วกี่ส่วนรู้กี่ส่ว น, กกวน่แต่เรามันมันขาดการฝึกฝนเราเกิดมาเนี่ยดีกว่าท่านนั่งเยอะพราแม่ครูบาอาจารย์เกิดมาเป็นเด็กเลี้ยงควายเราเกิดมาดีกว่าท่านตั้งมากมาย แต่เราขาดอะไรรู้ไหมเราขาดการสุดฝืนขาดสติเราเนี่ยทําอะไรแล้วก็เพลินไปอยู่กับสิ่งที่เราทําเราไปอยู่กับลูกก็เพลินเพลินไปอยู่กับลูกเพลินไปอยู่กับหลานก็เพลินอยู่กับหลานเราอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาเราก็เพลินอยู่กับสามีภรรยาเราอยู่กับทอทั์ก็เพลินอยู่กับโทรทัศน์เราอยู่กับอะไรเราก็เพลินอยู่กับสิ่งนั้นเราไม่ได้รู้แต่เราเพลินเราขาดตรงนี้นั่นเอง ที่แตกต่างกันของท่านไม่เพลินของท่านรู้ตลอดเวลาว่ามันหลงมันรู้มันรู้มันหลงมันหลงมันรู้มันรู้มันหลงอย่างเงี้ยมันหลงไปแล้วก็รู้อ้าวพอมันรู้แล้วไม่หลงก็รู้อีกอ้าวมันหลงอีกแล้วมัรู้อีกอ้าวพอรู้แล้วไม่หลงก็รู้อีกว่ารู้เอ่านี่เป็นรู้ไม่หลงแล้วเป็นรู้พอมีอาการอะไรเกิดขึ้นก็ได้แต่รู้ไม่หลงไปอ้าวตอนนี้พอหลงไปก็รู้สุกตัวขึ้นมาพอรู้อ้าวถ้าก็รู้ว่าเป็นรู้ไม่เป็นหลงถ้าก็ชัดเจนของท่านในใจอย่างเงี้ย แต่ของเรามันไปอย่างของเรามันไม่อย่างงี้กันเลมันไปอยู่กับโทรทัศน์ไปอยู่กับเพลงไปอยู่กับวิทยุอยู่กับโทรศัพท์มือถืออยู่กับเล่นแชทเล่นไลน์อยู่กับคนนั้นคนนี้อยู่กับลูกกับหลานอยู่กับสามีภรรยาอยู่กับตําแหน่งหน้าที่การงานมันไม่รู้ว่ารู้หรือหลงมันต่างกันตรงนี้แค่นั้นแนะทุกอย่างเหมือนกันหมดตติปัญญาความรู้ความสามารถมีหมดเลยทุกอย่างแต่ท่านเป็นเด็กเลียงควายท่านยังทํำจนได้ฝึกจนได้ เรามันขาดแต่สตินี่นะขาดแต่สติขาดแต่การสุดฝนเราขาดตรงนี้จริงๆพวกเราอ่ะไม่แพ้กันหรอกแต่ละคนน่ะจะต้องขาดตรงนี้เองขาดแต่ตรงสติทำดีสติเหมือนกั น, นไปทิ้งสติที่บารู้หรือหลงเนี่ยไปทิ้งสติปัญญาเลยทุกขณะปัจจุบันต้องเป็นอลาหันหมดเลยทุกท่านฝึกรองก่อนตายต้องบรรลุอลาหันจนได้เนะี่ย เพราะว่ามันสามารถอ่านได้ขาดเลยวะตอนนี้มันรู้กี่ส่วนแล้ววะยังหลงไปกี่ส่วนรู้กี่ส่วนหลงกี่ส่วนรู้กี่ส่วนหลงกี่ส่วนอ๋อมันสี่ส่วนนี่ล้วก็แบ่งไวสิโสดาสกัตตาคาอนนาคา阿拉หันเนี่ยทะลุถึงหนึ่งส่วนแล้วหลงหลงสามส่วนมันก็รู้โสดาบันแล้วทะลุสองส่วนหลงสองส่วนมันก็ได้สกัตตาคามีรู้สามส่วนหลงหนึ่งส่วนมันก็ได้อนาคามี รู้หมดเลยไม่หลงอีกเลยกับรู้อรหันต์เป็นผู้รู้เป็นพุทธะมันอยู่ที่รู้หรือหลงนี่ไนงะพอหลงปุ๊บมันก็เป็นกิเลสไงมันก็เป็นกิเลสเป็นอวิชชาคือหลงก็เป็นอวิชชาเป็นโมหะเป็นกิเลส <searched for, S 2> พอรู้ปุ๊บมันก็ละ ก, กิเลสได้อ่าทีนนี้ถ้ามันเป็นรู้ปุ๊บกี่ส่วนมันก็คือละ ก, กิเลสไปแล้วกี่ส่วนนะถ้าละ ก, กิเลสแล้วไปไปแล้วหนึ่งส่วนในสี่ส่วนละไปแล้วหนึ่งส่วนอ่าอย่างนี้มันก็สบายแล้ว ก็เปโสดาบันไปสิ้นกิเลสไปแล้วหนึ่งส่วนในสี่ส่วนอ้าวถ้าเป็นรู้ไม่เป็นหลงอ้าวเป็นหลงมัน ก, ก็เป็นกิเลสอีกเป็นโมหะเป็นอวิชชาอ้าวที่น ก, ก็รู้ตัวขึ้นมาัฝึกอย่างนี้เนี่ยจนสิ้นกิเลส ก, กี่ส่วนกี่ส่วนนะถ้ารู้มัน ก, ก็ไม่เป็นกิเลสถ้าห ล, ล, ล, ล, ลงก็เป็นกิเลสรู้ไม่เป็นกิเลสหลงก็เป็นกิเลสมันก็จนรู้ตัวเองได้ว่ามันเริ่มรู้กี่ส่วนแล้ววะเนี่ยมันหลงกี่ส่วนมันอ่านอยู่เรื่อยเรื่ยมันอ่านใจตัวเองว่าเป้ยหลงถล่มไปก็ไปเอาตัวเราถลก็ แล้วตัวเราถล่มอีกละมันรู้กี่ส่วนหลงกี่ส่วนรู้ ก, กี่ส่วนหลงกี่ส่วนอย่างเงี้ยมันก็จะอ่านใจของตัวเองขาดเนี่ยเออเออใกล้ๆหน่อยมันจอเราไอ้หนาวเออข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ยเออมันสิ้นกิเลสก็สิ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้หลงก็ไม่เป็นกิเลสแล้วแบ่งก็เป็นสี่ส่วนนะ่ะโสดาบันสกาัดทาคามีอนาคามีอะรหานนั่นแบ่งไว้สี่ส่วนนะ่ะ เราเราเนี่ย ใ, ใ, ในในชีวิตประจำวันในขนาดแต่ละขนาดเนี่ยเราจะในชีวิตของเราเนี่ย well in เราหลงไปกี่ส่วนเรารู้แล้วเนี่ยในขนาดแต่ละขนาดเราหลงกี่ส่วนรู้กี่ส่วนหลงกี่ส่วนรู้กี่ส่วนถ้าเป็นผู้รู้ก็ไม่เป็นผู้หลงก็ไม่เป็นกิเลสถ้าเป็นผู้หลงก็เป็นกิเลสเพราะแมันมันหลงแป๊บเดียวก็หลงอีกแล้วหลงแป๊บเดียวก็หลงอีกแล้วหลงแป๊บเดียวก็หลงแบบเนี้ถือปกติเลยแต่ถ้าเรารู้แล้วก็หลงรู้แล้วก็หลงรู้แล้วก็หลงแล้วก็รู้ปุ๊บแล้วก็หลงอีกรู้ปุ๊บแล้วก็หลงอีกอย่างน แต่ถ่านตั้งวันไม่เคยเป็นผู้รู้เลยอย่างเงี้ยมันหลงตั้งวันเลยมันไม่ต้องนับส่วนแล้วอย่างเงี้ยถ้าอย่างงั้นเนี่ยมันก็ต้องมาฝึกอีกแบบนึงพิจารณากายมากเข้ามันได้รู้ว่ามันหลงคือให้มีเครื่องล่อไว้คือพิจารณากายใ้มันเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงสังขาร เ, เรานี่แ ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายหน้าเปลือยผูพังเกิดแก่เจ็บตายหน้าเปลือยผูพังสลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเป็นความว่างเปล่าแล้วก็น้อมกลับมาอีกแล้วก็ลงและแป๊บเดียวแล้วก็น้อมกลับมาพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายหน้าเปลือยผูพังสลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็ไปขีดเท่าธุลีไปเผาแล้วไปขีดเท่าธุลีไปหมดเอาไปลอยน้าทิ้งหายไปหมดเอาไปซัดไปในอากาศลอยหายไปหมดเลยไม่เหลือหล่อตัวเราแล้วก็กับน้อมกลับมาอีกอย่างเนี้ย แต่ระหว่างที่น้อมเนี่ยหลงไปแล้วหลงไปคิดเรื่องอื่นหลงไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้สึกตัวรู้ต้องทานพุบกลับมาน้อมพิจารณาอย่างเงี้มันจะง่ายสําหรับคนที่มีสติปัญญาน้อยอย่างเงี้จะง่ายแล้วได้ง่ายกว่าคือมันมีตัวล่อไว้ว่าเราอยู่กับการน้อมพิจารณาอยู่ทั้งวันคือไม่ว่ากายจะทําอะไรใจแอบพิจารณาอยู่แต่เรื่องความตายเน่าเปื่อยผูพังความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็เน่าเปื่อยผูพังแล้วก็ไปเผา ไปเผาแล้วเป็นขี้เถ้าหรือแต่ขี้เป็นขี้เถ้าทุเรีไปโกยขี้เถ้าออกมาแล้วไปลอยอังคารทิ้งหรือว่าไปลอยลมทิ้งหรือซัดไปในอากาศหายไปหมดแล้วก็กลับมาน้องพีรณาใหม่แต่ระหว่างพี่นาพี่นาพี่นายเนี่ยหลบแป๊บไปคิดเรื่องอื่นแล้วเราก็รู้ทันระหว่างพิจารณาถึงความเกิดแก่แเจ็บตายหน้าเปื่อยผุพังพี่นาเรื่องธาตุเรื่องขันเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยพี่นาแป๊บเดียวหลบไปคิดอีกละหลบไปคิดปุ๊บรู้ทันกลับมาพิี่นา พี่นาพี่นาแป๊บก็ไปคิดแล้วรู้ทันกลับมาพี่นะอย่างเนี้ยมันง่ายเพราะว่ามันมีตัวล่อไว้คือตัวพิจารณาเรื่องความแก่แก่เจ็บตายของสังขารร่างกายเราว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยดีเป็นตัวล่อไว้เวลามันปุ๊บเผลอไปคิดเรื่องอื่นมาเลยรู้ทันไงว่าอ้าวพี่นาความตายดีๆเนี่ยมันไปเรื่องอื่นหลือไว้โอ้พี่นาความตายดีๆไปเรื่องอื่นแล้วพี่นาความตายดีไปเรื่องอื่นอีกแล้วมันมีตัวล่อคือความตายเนี่ยพลนารู้สติเนี่ย อสุภกรรมฐ า, านเนี่ยเป็นตัวล่อไว้บรรลุจากเรื่องความตายเน่าเปื่อยผพุพังความสกปรกของร่างกายแล้วและร่างกายคนอื่นเนี่ย <theory. S 1> มันพอบรรลุเรื่องนี้ไปสแสดงว่าหลงแหละบรรลุเรื่องนี้ไปสแสดงว่าหลงแหละมันมีตัวเนี้ยเป็นตัวล่อคืออสุภกรรมาฐานวรณา น, นสุสีความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงความเกิดแก่เจ็บตายเน่าเปผผื่อยผุพังเนี่ยเป็นตัวล่อไว้พอตัวล่อปุ๊บแป๊บไปคิดเรื่องอื่นแล้ก็รู้ทนกลับมากับมาพิจาพิจาณพินาแป๊บไปคิดเรื่องอื่นก็กลับมากลับมาพิจาพิจาพินา ทั้งวันทําแต่อย่างเนี้ยไม่ว่ากายจะทำอะไรใจนแอบพินาศอยู่อย่างนี้ตลอดอย่างเนี้มันจะง่ายเพราะว่ามันมีตัวล่อไว้คือบุรณานุส ต, ติหรือว่าอัปสุภกรรมาฐานความสปกปรกความไม่เที่ยงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ทรมานความตายแล้วก็เนา่าเนา่าแล้วก็ไปเผาขึ้นอื่นแล้วก็ไปเผาไปเผาก็เราไปคิดภาพไปหมดแล้วก็ไ ป, ไปลไปอยทิ้งไปหายไปหมดไปลอยังขานีน่เรียกว่าไปลอยองังคาทิ้งหายไปหมดแหละ เนี่ยเราก็แล้วก็น้อมกลับมาใหม่เพื่อให้อสุพกรรมฐาหรือมรณานุตนตสติเป็นตัวล่ อ, อไว้แล้วพอมันหลุดจดากอสุภกรรมฐานหลือมรณานุตสติพอมันมันหลุดจากการ พ, รราพิจารณาปุ๊บหลุดไปคิดเรื่อื่นมันก็รุทันเลยว่าอ้าวมันไม่ได้อยู่กับความตายซะแล้วมันไปซะแล้วเราก็กลับมาอ้าวพิจารณาพิจารณาหลุดอีกละแล้วกลับมาอย่างเนี้ยมันง่ายเพราะว่ามีตัวล่ออาไว้ตัวหลักเอาไว้มันจะง่ายแล้วก็เลย ไอ้พ hey, mm. ิจารณาโน้มป no pues ัสสาวกรรมถานเนี einzige, ่ยจนมันลงแก่ใจแล้วมันก็ปล่อยวางไปแล้วก็เออมันปล่อยวางหมดตอนนี้ก็ไม่มีตัวไม่มีตนแล้วคือมันได้ประโยชน์ไงคือใจก็ไม่หลุดไปแล้วการโน้อมมาพิจารณาอยู่เนี่ยใจมันจดจ่ออยู่การพิจารณาจิตมันก็ปรงปล่อยวางโปร่ไปวางโปรงไปวางความหลงยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเราและตัวตนคนอื่นเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงจิตมันเริ่มเห็นไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันก็ปรงปล่อยวางปร่งปวาง มันสลดสองเวกับความหลงยึดมั่นหรือมั่นสิ่งทั้นสิ่นี้มาหลายภพหลายชาติตวิจารความเป็นทุกข์เกิดแล้วก็ทุกข์เกิดแล้วก็ทุกข์เกิดแล้วก็ทุกข์ไม่เกิดไหนนไม่ทุกข์ความอยากเกิดอีกไม่มีมันก็เลยปล่อยวางบึ้มลงไปเลยพอปล่อยวางสังหาร่างกายหมดตอนนี้เดินไปไหนมาไหนไม่มีตัวแล้วไม่รู้สึกว่ามีตัวแล้วคอยจับแขนจขับขาจับตัวอยู่แล้วว่าเอะตัวมันหายไปไหนมาเนี่ยทําไมไม่มีตัววะแต่จับที่ไรก็มีตัวแต่ทําไม เดินไปไหนรู้สึกว่าไม่มีตัวทั้งวันทั้งคืนนน่ยมันไม่มีตัวเลยเดินไปไหนไงก็ไม่มีตัวเดินไปทำงานก็ไม่มีตัวเอ๊ะมาตัวมันไปไหนหัวเหินไปไหนคอยจับอยู่เลยเพราะไม่ชินวันตะชินนเป็นอาทิตย์อาทิตย์อะเพราะว่ามันเดินไปไหนไม่มีตัวแล้วไม่มีน้ําหนักน้ําหนักมันก็มีอยู่ไปชั่งกิโลมันก็มีน้ําหนักแต่พอลงแต่กิโลมามันเหมือนไม่มีน้ําหนักเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างงี้เหมือนกับน้ําหนักเป็นศูนมันเหมือน มันปล่อยอยู่แนในอากาศแล้วมันไม่มีน้ำหนักโคนรร่างกายมันน้ำหนักเวลามันเดินเดินไปเนี่ยมันเหมือนกับอยากจะเหินขึ้นไปบนต้นไม้ต้นนี้แล้วก็เหินไปอีกต้นหลายหลายต้นไปเลยไปทีละเป็นเป็นหลายหกิโลมันเหมือนบินไปเหมือนนกมันเป็นแบบนั้นเลยมันเดินเดินไปมันอยากจะไปยืนอยู่บนยอดหญ้าแล้วไอ้ยอดหญ้ามีความรู้สึกว่าขึ้นไปยอดยอดยอดหญ้ายอดหญ้ามันยังไม่ยับลงมาเลย มันเบาหรือขนาดมันขึ้นไปบนยอดยา่าวยังรู้สึกว่ายอดยา่ามันไม่ยับเลยแต่ขึ้นไปจริงจริงมันคงยับไแหละแต่มันก่อนรู้สึกเราว่ามันขนาดขึ้นไปบนยอดยา้ามันยังไม่ยับเลยเพราะว่าไม่มีกวามนีม้น้ำหนักเลยไม่มีตัวเลยมันกลายเป็นอากาศไปหมดเลยนน่แน่ๆคือการคุณของคุณสมของการปล่อยวางสังขารร่างกายตนเนี่ยแต่มันก็จะไม่ยึดมั่นหรือมั่นในสังขารร่างกายคนอื่น อันนี้ยเรารู้สึกว่าอันนี้เนี่ยแต่บรรลุได้โสดาบันแล้วคือละสักกายทิฏฐิคือในตัวตนของตัวเอ ไ, ได้แล้วละสักกายทิฏฐิไปได้และได้หนึ่งส่วนไปแล้วไปเหลือแต่จิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เมื่อไม่มีตัวแล้วอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเดินไปไหนเหลือมีแต่วความว่างตัวตนไม่มีน้ำหนักไม่มี มันก็เลยเห็นจิตเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่ได้ว่าเราเป็นตัวช่องดูเกิดดับนะจิตมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเหมือนแสงหิ่งห้อยเหมือนกับฟ้า แ, แลบแป๊บรดับไปแป๊บระดับไปแป๊บระดับไปแป๊บระดับไปอย่างเงี้ยไม่มีใครไปทำํำไม่มีใครไปคอยดูคอยรู้มันหรอกแต่มันมีแต่ กิจการของจิตเนี่ยทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยเหมือนแสงยิงเ้าที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปหรือว่าเป็นฟ้าแลบเกิดมาแล้วก็ดับไปฟ้าแลบเกิดมาแล้วก็ดับไปไม่มีคนไปคอยดูไปคอยรู้มันหรอกไม่ไม่มีใครไปคอยคอยรู้เกิดดับหรอกแล้วทำก็ปรากฏว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมานั้นเน่ะมีแต่ดับไปดับไปดับไปไม่พึงเห็นหน้าที่เกิดให้พึ่งเห็นแต่หน้าที่ดับแล้วมันก็เลยปัญญามันก็เลยเห็นตามไปว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมานั้นนมมแต่ดดดดััับบบไไไปปปปเ็ธรรา แค่นั้นเนี่ยจิตมันก็ปล่อยวางจิตจสังขารอีกคนหนึ่งไอ้ปล่อยวางกายนี่ว่าว่ามันโอ้โหมันมันสุดสุดหละไอ้ต่อยปล่อยวางจิตจสังขารอีกคนหนึ่งสิโอ้โหอันนี้มันมันสุดสุดกว่า น, นี้อีกไม่รู้กี่ตีเท่าของของการปล่อยวางกายสุดสุดของสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แต่ไอยอย่างเนี้ยง่ายตาเดินตาหลังเนี่ย เพราะว่ามันมีตัวมรณารุตติอสุภะกรรมฐานความตายเน่าเปื่อยปูฟังมันเน่ามากมันขึ้นอืดมากเราไม่รู้วตัวเราเน่าแล้วขึ้น อ, อืดยังไงดูในอินเทอร์เน็ตไดเยอะเอามาดูมาดูมาดูาดไอ้ภาพเน่าๆไปเปื่อยอ่ะพิมพ์เข้าไปว่ามรณะรุตติเนี่ยเดี๋ยวสุภะกรรมฐานเนี่ยมันขึ้นมาเต็มเลยเราก็ดูมันมากๆมากๆจะไปลังเกียจไอ้สิ่งเนี้ยมันจะทําให้เราข้ามภพชาติได้ข้ามความทุกข์โศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจได้มันจะทําให้เราข้ามความทุกข์ยากลําบากได้ มันมาดูมากๆพร้อมกับพิจารณาตัวเรามากแล้วกเอาดูมากๆแล้วก็ดูไปด้วยพี่นาตัวเราไปด้วยดูไปด้วยพิจารณาตัวเราไปด้วยไอ้มันอยู่งี้ยจนกระทั่งมันไม่ต้องดูเราก็เห็นเราเป็นอย่างงี้เลยจนกระทั่งเรารู้สึกจริงๆอีกตอนยังไม่รู้สึกก็ดูไปด้วยพิจารณาไปด้วยดูไปด้วยพิจารณาไปด้วยอย่างนี้นหละอีกตอนที่เราพิจารณาเนี่ยเราเอาศพที่มันมันไม่ใช่ว่าศพที่มันดีๆเลยนะศพที่มันเขียวจนหนอนขึ้นเต็มตัวเลยนอนตัวเป้งๆเนี่ย ไ อ, อ, อ, อ้ออกจมูกปากออกหูออกจมูกปากออกตามทวารต่างๆเนี่ยตัวปเป็นเป้งเขียวไปหมดเลยหนอนยังขึ้นเต็มไ ป, ปหมดเลยทั้งตัวปืดพองจนปากปีนตาถลนเนี่ยแล้วเราก็เ น, นี่ยนึกน้อมตรงเนี้ยมาเป็นมาเป็นตัวเราเราตายแล้วก็มีสภาพเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่มันมันชัดเจนในใจของเราเราก็นึกน้อมมันโจกระทั่งเนี่ยนึกน้อม บ, บ่อยๆบ่อยๆเข้าโจากระทงังมันติดอยู่ในจิตเรา ขี้เกียจนึกน้อมมันก็น้อมมันไปเองมันอยู่ในใจเลยไม่ต้องคิดแต่พนึกน้อมตอนแรกๆเราช่วยคิดแล้วแบบแป๊บไปคิดเราอื่นเราก็รู้ทันทันเรานึกน้อมอยู่ก็แวบไปคิดเราอื่นเราก็รู้ทันเรารู้ทันพอเรารู้ทันมากๆมากๆเข้าใจมันเลยอยู่กับการที่เราพิจารณาอยู่มันไม่ไปแล้วเพราะว่าด้วยอำนาจของสติที่เรารู้ทันเร็วๆใจเราอะไรอยู่กับที่เรานึกน้อมพอมันอยู่ปุ๊บตอนเนี้ยเราจะให้มันเลิกมันไม่เลิกมันติดอยู่ในจิตซะแล้วมันเหมือนกับว่าเราถูกปิงดูดอะ เราลงน้ําตอนเราเคลื่อนไหวพิมพ์เนี่ยดูดไปติดพอเราหยุดปุ๊บปิงมันปิงมันดูดเลือดเราได้ปุ๊บตนอนนี้เราสลัดขาอย่างไงก็สลัดไม่หลุดปิงมันก็ไม่หลุดแบบเดียวกันพอเรานึกน้อมปุ๊บพอมันรู้สึกที่ใจได้ชัดแล้วมันไม่หลุดแล้วตอนเนี้ยมันก็ติดอยู่ในใจ ไ, ไม่นา น, นก็ปล่อยวางไปเลยปล่อยวางสังขารร่างกายสดและสังขารพวกอื่ไปเลยไมยึดมั่นถือมั่นเลย อย่างเนี้ยมันมีตัวล่ อ, อไว้ง่ายเวลาเรารู้ว่าเราหลงไปมันจะได้ชัดหลงปุ๊บกลับมาพี่นาหลงปุ๊บกลับมาพา่นาหลงปุ๊บกลับมาพิจารณาสังขารร่างกายตัวมันมีตัวล่อไว้ไงไอคนที่มันมันรู้แล้วหลงรู้แล้วหลงแล Л ้วก็รู้ขึ้นมาหลงแล้วรู้ขึ้นมาหลงแล้วรู้ขึ้นมาไอนี้มันขั้นเนี้ยมันหาน้อยคนที่ทําได้คนต้องมีบุญบรารมีสติปัญญาเป็นเลิศจริงๆ ท, ที่สร้างสมมาเราว่านะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มี คนที่ฟังแล้วฟังเราพูดแล้วเนี่ยมันมองเห็นภาพเป็นฉากฉากฉกฉากากว่าไอ้เราทําได้เราทําได้มันมั่นใจเลยเราทํานี้ได้ถ้าฟังเรื่องหลงแล้วรู้หลงแล้รู้หลงแล้รู้เนี่ยระหว่างรู้กับหลงเนี่ยมันต่างกันอย่างเงี้ยถ้าฟังแล้วไปรู้เรื่องทันทีถ้าพี่นาสังขารยมวไปหลงแล้วรู้หลงก็รู้โอ้ยอย่างนั้นกี่ชาติจะทําไม่ได้เพราะฟังยังไม่รู้เรื่องเลยมันมองไม่เห็นภาพพจน์เลยเออแต่ถ้าพี่นาเราป่วยปู่พางวันแลราติดเป็นตัวหลักไว้ แล้วมันหลงแป๊บไปคิดเรื่องอื่นแล้วกลับมาพิจารณาต่อหลงแป๊บไปคิดเรื่องื่นแล้วกลับมาพิจารณาต่อเออมันง่ายกว่าสําหรับเรามองแล้วมันเห็นภาพพลมองมองแล้วเห็นทางเป็นช่องช่องอย่างเนี้ยเราต้องเดินทางนี้นอย่าไปฝืนไอ้ที่ก็พูดว่าเห็นกะเราถลำ้ำไปเป็นคนคิดแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาพอเป็นรู้เราถล้ำอีกรู้แป๊บเดียวถล้ำไปเป็นคนคิดแล้วก็เป็นคนรู้รู้แป๊บเดียวถล้ำเป็นคนคิดแล้วมาเป็นคนรู้ไอ้อย่างนี้อ่ะ ฟังแล้วยังไม่รู้เรื่องสักปีฟังมาหลายหนแล้วก็ไม่รู้เรื่องอย่างเนี้ยอย่าไปเดินทางเนี้ยมันไม่มีทางเลยเพราะว่ามันไม่เข้าไปถึงใจเราเลยฟังแล้วมองไม่เห็นช่องเลยเอย่าไปเดินทางเนี้ยแต่ถ้าใครฟังแล้วมองโอ้โหมันเป็นช่องเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากก็รู้แล้ะเราเคยรู้มาก่อนเราเคยหลงเราเคยรู้มาก่อนโอ้โหมันอย่นี้ยอย่างนี้ต้องเดินเลยแน่วเลยอยอย่าอย่าเสีสยเวลาแต่ถ้าฟังมากี่ปีไม่รู้เรื่องเลยว่า ไอ้หลงแล้วรู้รู้แล้ว ห, หลงหลงแล้วรู้อะไรไม่รู้เรื่องเลยเอออย่างเงี้ยมันต้องเอาตัวไอ้เอาอะไรมันเป็นตัวล่อไว้ตัวมรณะสติสุภกัประธานมันเป็นตัวล่อไวม้มาหลงปั๊บเอ้ากําลังพิจารณาความตายเน่าเปิดอยดีๆเอ้าอย่าไปคิดอะอื่นมันจะได้รู้เลยว่าเออมันหลุดจากเรื่องที่เราคิดมันง่ายเพราะมีตัวล่อไว้เปรียบเทียบไปเนี่ยเอาแม่ครูบาอาจารย์ส่วนใจท่านจึงเดินทางสายมรณะสติสุภาพกัประธานแล้วบรรลุอรหันต์ไป ในเส้นทางอันนี้เป็นส่วนใหญ่ออมีใครจะเสริมมีใครจะตัดให้มละเอียดข้าไปอีกเราก็อธิบายพยายามอธิบายทุกแง่ทุกมุมมัมันอยู่ที่พวกข้างทางหลายจะทำความเพียรเนี่ยท่านอจะทิ้งอย่าทิ้งสติ แล้วท่านทิ้งสติมันก็หมดนะคือทุกอย่างทางมีหมดแต่ท่านไม่เดินสักทีท่านปล่อยฝ่าละเลยดิ้งไปหมดอันนี้มันโอ้จะว่ายัางไงเนะียคือทุกอย่างอะคนสอนก็มีอยู่เราเกิดมาเป็นมนุษย์สติปัญญาความรู้กวสามารถโชคดีจากนี้เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกับแจ็คพอตแตกโอ้ยการจะเกิดมาเกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์แต่ละชาติยากที่สุดในโลกคุณเจ้าตัดมันยากที่สุดในโลกแนละ้ ภาษา ว, ว่าว่ายากที่สุดในโลกเป็นไงบุตรจ่าบุตรองค์ขอเปรียบเทียบหน่อยดีคุณบอกโอ้ยการจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มันยากที่สุดในโลกเลยเราตายจากมนุษย์แล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีเนี่ยมันยากที่สุดในโลกยังไงยากที่สุดในโลกต้องเปรียบเทียบหน่อยโอ้ถ้าจะเปรียบเทียบก็ได้แต่สมมุติสมมุติว่าโลกเนี้ยไม่มีแผ่นดินเลยไม่มีแผ่นดินมีแต่น้ําไปหมดเลยมีแต่น้ําทะเลหมหาสมุทรแล้วในใต้ หาสมุทรนั้นน่ะมีเต่าตาบอดสองข้างอยู่ตัวหนึ่งไอ้เต่าตาบอดสองข้างเนี่ยหนึ่งร้อยปีจะจิญจะมาโผอากาศหายใจหนึ่งครั้งโผคนน้ําหายใจหนึ่งครั้งคนในโลกนี้ตั้งหลายพยายามเอาแอกเบี่ยงลงไปในน้ําแอกนี่ก็เหมือนกันที่เขาเราเข้าใจคงก็เหมือนในที่เขาสวมคองวัวคอควายเวลาจะเข้าเกวียนเนี่ยเวลาจะไปใส่เวลาเอาวัวเอาควายจะใส่เกวียนก็เอาเอาแอกเหมือนกับไม้งามเนี่ย เสียบไปที่คอหัวขอควายไม่ให้มันดิ้นออกไปได้ไงนี่คนทั้งหลายก็พยายามโยนไม้แอกที่เป็นง่ามเนี่ยไปในทะเลเพื่อว่าถ้าร้อยปีใดที่เต่าตาบอดสองข้างเนี่ยโผล่ขึ้นมาหายใจพ้นน้ำแล้วคอเต่าเนี่ยสวมแอกได้พอดีเต่าตัวนั้นเนี่ยจึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์คือคนในโลกนี้ที่ตายไปแล้วจริงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึง่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า แอกที่คนทั้งหลายโยนไปเนี่ยลมบกกะพัดไปลมทะเลกะพัดทิ้งไปลมเหนือลมใต้คลื่นใต้น้ําพัดทิ้งไปหมดพระองค์ถามว่าโอกาสมีมากน้อยขนาดไหนที่หนึ่งร้อยปีที่เต่าตาบอดสองข้างนั้นอ่ะมันตาบอดสองข้างนะโผมาแล้วจะได้สวมแอกอนะ่ะมีไหมเมื่ อ, อไรที่เต่าตาบอดสองข้างได้สวมแอกนะัน่ๆๆนี่ยเมื่อไรเนี่ยคนเราทุกคนเนี่ย ที่ตายจากมนุษย์ปุ๊บจึงจะได้ ก, ก, ด ก, กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งยากไหมล่ะแต่พวกเราเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราเปรียบเทียบในปัจจุบันก็เหมือนกับว่ารางวัลแจ็คพอตเนี่ยที่มันสั่งสมมาเป็นร้อมันเป็นกี่ล้านนะ่ยแจ็คพอตแตกเนะี่ยวันที่หนึ่งเแจ็คพอตแตกกี่ล้านสมมติร้อยล้านเออพวกเราเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับถูกรางวัลที่หนึ่งที่เป็นแจ็คพอตแตกร้อยล้านแล้วจะมีอโอกาสอีกไหมล่ะ ที่เราจะได้แจ็คพอตลอยล้านเป็นครั้งที่สองอะรางวัลแจ็คพอตแตกหนึ่งร้อยล้านเนี่ยเพื่อมาเกิดเพื่ออะไรมาเกิดเพื่อไม่เพื่อให้เข้าใจทำให้บรรลุธรรมไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเพราะไปเกิดเป็นอย่างอื่นโอกาสมันน้อยโอกาสของมนุษย์ที่เท่านั้นเนี่ยโอกาสมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเกิดมา ลองวัลแจ็คพอตแตกเนี่ยเพื่อมาเข้าใจทำให้ไม่ต้องเกิดอีกปฏิบัติให้พ้นทุกไปเมื่อไม่ต้องเกิดอีกกรรมทั้งหมดที่ทำก็จบลงไม่ต้องให้ผลอีกจยมทูตจยมาบาลก็เอาตัวไปลงโทษไม่ได้เพราะมันหายไปตัวไปเลยจิตวิญญาณก็หายตัวไปไม่ต้องยึดอะไรแล้วจิตวิญญาณก็เลยหายตัวไปมนุษย์นี่เท่านั้นแน่ที่มีโอกาสเพราะอะไรนี่ยเกิดมาเป็นทั้งมนุษย์ ทั้งพบพุทธศาสนาในผู้สอนทำชี้ทำแต่เรายังไม่ทําเนี่ยเรายังไม่ปฏิบัติเราเท่ากับใช้สังขารของมนุษย์เนี่ยฟรีๆแล้วเป็นโมฆะไปเท่ากับถูกราหวัตแจ็คพอตรางวัลที่หนึ่งแล้วใช้เงินละลายน้ําหมดเลยไม่ได้มีคุณค่ามาใช้อะไรเลยแล้วโอกาสจะกลับมาเกิดอีกแล้วมาถูกราหวัตแจ็คพอตอีกไม่มีเหมือนเต่าตาบอสองข้างอยู่ใต้ทะเลนั่นี่ยโอกาสจะสวมแอรอ์ก็ไม่มีเราก็กลับไป ใช้คำในอบายเป็นเกิเป็นสัตว์แต่ละฉาญเปรอสุรกายสัตว์นรกโอกาสจะกลับมาเป็นเทวดาก็ยังไม่มีเลยยากมากเลยไนะม่ใช่ว่าตะมนุษย์นะยากที่สุดในโลกใชแฉไวคิดว่าไมไม่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็ได้โอกาสจะกลับมาเป็นเทวดาก็ยังยากที่สุดเลยเพราะว่าเรถามว่าโอกาสจะมาเป็นเทวดาหรือกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ย ไม่ไปอบายถ้าเปรียบเทียบระหว่างไปไปอบายกับเกิดจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาเนี่ยมีโอกาสขนาดไหนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไม่ได้เลยแต่จะเปรียบเทียบว่าตายแล้วโอกาสจะกลับมาเป็นเทวดาเทวดาเนี่ยตายจากเทวดาแล้วจะกลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกหรือมนุษย์ตายจากมนุษย์แล้วโอกาสจะกลับมาเป็นมนุษย์ไม่ตกอบายเนี่ยมีแค่ปริมาณดินในขี้เล็บเนี่ยของพระพุทธเจ้านอกจากนั้นเนี่ย เข้ากับ ด, นนดินในพื้นปัจจุัเนี่ยที่ไปอาบายหมดแล้วโอกาสไหมนะที่เราจะไม่ไปอาบายนี่มันถึงน่ากลัวมากนะที่พวกเราประมาทน่ากลัวจริงๆแหละแต่เราก็ยังประมาทมันน่ากลัวจริงๆโอกาสจะเรากลับมาเกิดเป็นนุษย์ และโอกาสที่เราจะไม่ตกอับายไม่มีเลยช่องเนี้ยไม่ต้องพูดถึงเลยโอกาสจะกลับมาเป็นมนุษย์หรือเทวดายังไม่มีเลยอย่าว่าแต่โอกาสนั่นเลยไปอับายมันต้องไปอบายเ ป, เ, ปเป็นสัตว์ในร่านเปตอสุรรกายตายแล้วก็ขนขณะจิตเศ้ามองที่เดียวก็ไปไปอับายแล้วแล้วเราก็อยู่กนจนมาถึงอายุขนาดนี้แล้วโอกาสมีไหมนะ่ะ ที่เราจะพ้นทุกข์เวลาที่เหลือเนี่ยมันจะทันไหมคนสอนก็มีอยู่ทางเดินก็มีอยู่เราจะเดินไหมนี่หนอยู่นี้ น, นดดี่น่าเสียดายน่าเสียดายเนอะนี่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็เฝ้าพูดแต่อย่างนี้เนี่ย พูดจนถึงวาระสุดท้ายเฝ้าพูดเฝ้าเตือนอยู่อย่างนี้เนี่ยพูดใเจ้ารู้แล้วเห็นแล้วเนี่ยว่ามันจะโอกาสจะกลับมามันไม่มีจึงเฝ้าพูดแต่อย่างนี้เนี่ยจนถึงวาระสุดท้ายยังพูดเลยว่าสังขานทั้งหลายไม่มีความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาท่านทั้งหลายอย่ามัวประมาจอยู่จงเร่งทาความเพียรให้ถึงที่สุดแห่งทุกขเลย นี่เป็นพระวาจาที่มีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าพูดจบก็ดับขันพระริพานธ์แล้วก็ตอนมีชีวิตอยู่พระองค์ก็เฝ้าพูดแต่สอนแต่อย่างเนี้ยคอยเตือนอย่างเนี้ยคอยว่ากาวเนี้ยจนถึงวาระสุดท้ายยังพูดอย่างนี้อยู่เลยว่าอยังมัวประมาทอยู่เลยสังขารมันฟินไปเสื่อมไปตลอดเวลาจงเร่งทำความเปลี่ยนให้พ้นจากพวกเธอมันจะไม่ทันโอกาสจะกลับมาอีกมันไม่มี โอกาสจะกลับมาเกิดในพุทธศาสนาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็บพบพุทธศาสนามีคนสอนมีคนสอนอนเราคนทุก์เนี่ยมันจะมีไหมเราโอกาสเนี้ยอย่าว่าแต่เกิดมาเป็นมนุษย์ยากที่สุดในโลกเลยได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่มันจะมีโอกาสไหมเกิดมาในพุทธศาสนาแล้วมีผู้สอนทำที่ทำมนุษย์ในโลกนี้มีกี่ร้อยล้านคนแต่คนที่มาเป็นพุทธศาสนาแล้วมีคนสอนแล้วมี ให้เรารู้ทำเห็นทำปฏิบัติทำให้คนทุกคนจะมีแค่ ก, กี่คนกี่เปอร์เซนต์คนในโลกนี้เป็นไม่รู้กี่ล้านคนเราดูตัวเองมีคนมานั่งอยู่แค่นี้โอกาสเราเนี่ยจะกลับมาเป็นอย่างนี้อีกกับมีไหมอะ่ะไม่มีหรอกโอกาสนั้นนหะเราลองพี่นายให้ดีนะพี่นายดีแล้วะเราจะใช้เป็นโมฆากรรมไปก็ไม่เ่า เกิดมาแล้วเป็นโมฆะเป็นหมดจิตมันต้องแน่วแน่เลย ว, ว่าชาตินี้ต้องเป็นชาติสุดท้ายชาติหน้าต้องไม่มีสําหรับเราไม่มีชาติต่อต่อไปชาตินี้เท่านั้นต้องเป็นชาติสุดท้ายตาบได้แผ่นดินไม่กบหน้าความเพียรพยายามไม่มีเลิกลาไม่มีถอยหลังไม่มีท้อถอยต้องหักเกียร์ถอยหลังทิ้งหมดเดินหน้าอย่างเดียวชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย หน้าชาติต่อไปไม่มีสําหรับเราคําว่าอบายไม่มีที่จะไปอย่ว่าแต่อบายเลยไม่ว่าเป็นสวรรค์หรือมนุษย์อีกทีกลับไปทงก็ไม่มีสําหรับเราต้องหักดิบเลยเรื่องอบายไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปอบายต้องไม่มียอมแพ้แ ต, แต่แม้จะกลับมาเป็นมนุษย์รละเทวดาก็ยังไม่เอาเลยเพราะ บุญกุศลเนี่ยบารมีที่สร้างมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่ากี่ภพกี่ชาติทุ่มมาในครั้งเนี้ยเป็นเรียกว่าเ ท, เทหมดหน้าตักอนะ่ะภาษาคนเล่นกันว่านั้นเกหมดหน้าตักครั้งเดียวเลยอธิษฐานะบุญบารมีที่สั่งสมมาทุกภพทุกชาติเอามาเกหมดหน้าตักทุ่มมาที่เนี้ยให้สิ้นกิเลสพ้นทุกข์ไปโลนิพันในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยเถอดคือทุ่มหมดหน้าตักเลยที่บุญบารมีที่สั่งสมมาทั้งหมดเอามาทุ่มทีเดียวยให้จบไปเรียกว่า ใช้หมดเกลี้ยงเลยเพื่อครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นไม่กลับมาเกิดอีกมันต้องขนาดนั้นเนี่ยที่จะพุนไปได น, นพอแม่ครูบาอาจารยนะ์ไม่ว่าจะเป็นหลวงูทาแจ๊บสมโมไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่อาว่านท่านก็พูดเหมือนกั น, นบุญบารมีทั้งหมดที่สัง่งประมาทุกพวกทุกชาติเอามาอธิษฐานให้ให้สิ้นกินเลส ในปัจจุบันนี้โดวหลวงปู่ทานเนี่ยเอามาให้บรรลุพระนิพพานในปัจจุบันนี้ <S <S <sanctuary> <S <S> <S เรียกว่ามีบุญบา ร, รมีที่สั่งสมมาเท่าไหร่อ่ะเอามาใช้เกหมดหน้าตักเลยเ <Process ing> ททีเดียวเลยใช้เพื่อความสิ้นกิเลสสิ้นความทุกข์บรรลุพรนิพพานในปัจจุบันไม่ไปทางอื่นเลยไม่คล้องไปแวะไป่างอื่นเลยไม่มีหลักปฏิฐ า, านขอทุนขอนี้ ไม่มีมีทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นนอกจากนี้ไม่ไปขอสเปนตะป่าขอให้ถูกหวยขอยห้ร่ำรวยขอให้มีโชคลาภเรื่องยศยศแต่งขอโน่นขอนี่ไม่มีหรอกมีแต่บุ้งเป้าอย่างเดียวให้ชินกิเลสในปัจจุบันบุญบารมีทั้งหมดเดียวมาคนที่ปรารถนาถึงขนาดเนี้ยไม่มีทุกอยากลําบากแล้วมันมีแต่ทุกอย่างลำบากในการปฏิบัติเท่านั้นแหละแต่ชีวิตจะไม่ทุกอยากลําบากเลย ก็ทําอย่างเนี้ยนับแต่เขาที่ตักเขาที่ฐานตั้งจิติฐานตั้งสัจจะบุญบรารมีเขาเต็มร้อยเลยบุญบรารมีที่จะไปต่อพระอนาก็เอามาใช้ในปัจจุบันบุญบรารมีที่ทำไปแล้วทั้งหมดก็มารวมลงในปัจจุบันไม่มีหวังปเป็เผื่อเอาไปใช้ข้างหน้าไม่มีกักเอาไว้เอามาใช้หมดในทันทีเลย บ, รบรารมีเขาเลยเต็มร้อในปัจจุบันแล้วก็แผ่เมตตาบุญบารมีเต็มร้อยในปัจจุบันที่ฐานปุ๊บก็แผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมในเวรสรรพสัตว์ทั้งหมดกรรมเวรที่ทําไว้มันก็หมดสิ้นไป เหลือแต่กรรมหนักๆเท่านั้นที่ต้องชดใช้กรรมบางเบาก็หมดสิ้นไปชีวิตมันก็ราบรื่นทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็ติดๆขัดขัดเหมือนรถวิ่งในกรุงเทพอ่ะมันก็ติดๆขัดๆติดติดขขัดติกจกจิกกจกเพราะว่ากรรมเวมันขวางไว้เยอะบุญก็ไม่มีพอให้เขา คิดดูนอะปริญญาดูเราจะช้าไปหรือเปล่าอาจจะช้าไปเสียแล้วก็ได้แต่ไม่มีใครช้าได้หรอกตับได้อย่างมีลมหายใจอยู่ไม่มีใครประมาทใครได้ไม่มีใครประมาทใครได้หรอกไม่มีช้าเกินไปมีสายเกินไปหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันเราเอาจริงไหมเราปูท้าว่า เอาจริงไหมอ่ะเอาจริงไงคนจริงจมรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงเอาจริงไหมละ่ะอยู่ตรงที่เราเท่านั้นแหละเอาจริงไหมเราก็ให้ซักให้ถามทุกอย่างทุกแง่ทุกบุ่มเลยไม่ปิดบังเต็มที่เลยซักไปเต็มที่ให้มันกระจา่างอะไรไปคาใจอะไรที่มันยังง ง, งอยังสงสัยให้ซักให้เต็มที่ ให้มนันจะสิ้นสงสัยเลยแล้วก็ลงมือปฏิบัติมุ่งจริงๆหักเกียรถอยหลังทิ้งเดินหน้าอย่างเดียวชาตินี้ต้องเป็นชาติสุดท้ายชาตต่อไปชาัิหน้าชาติต่อไป ต, ต, ต, ต้องไม่มีสำหรับเราต้องจบลงในปัจจุบันตับได้แผ่นดินไม่กบหน้าไม่มีวันท้อถอยไม่มีวันยอมแพ้แต่เราปฏิบัติจนแผ่นดินกบหน้าแล้วไมบรรลุพระนิพพาน ก็ต้องภาคภูมิใจว่าเราได้ต่อสู้จุดถึงที่สุดของชีวิตทำอย่างตรจานกที่ทมไว้มันก็ไม่เสียหายหรอกมันก็จะเป็นบุญารมีที่ทำให้พบชาติใหม่ต่อไปทำให้ได้มาระลได้ไปอย่างน้อยมันจะต้องไม่มีพลาดในชาตินี้ต้องวางเป้าว่าไม่มีพลาดต้องชาติติดชาติเดียวเ้องนั้นต้องจบลงในปัจจุบัน มันต้องเด็ดขาดอย่างนี้ที่ใจนะแล้วทุกคนเนี่ยึจะไปได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องเด็ดขาดอย่างนี้ยแล้วก็มรรลุอารหาันกันไปในใจที่เด็ดขาดแบบนี้เนยะถ้านกิดบรรลุไปเพราะท่านทุ่มแค่ชาติเดียวเหมืนอนหลวงปู่เทสเทสหลังตีท่านว่าเราทุกข์มามากเลยเกินชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสําหรับเรานี่ท่านเด็ดขาดอย่างนี้เลยนะเราทุกข์ ม, มากมากเลยเกิน ชาตนี้เป็นชาตสุดท้ายสําหรับเราเมื่อท่านตายแล้วมรรคภาพแล้วกระดูกแล้วก็เป็นประทานไปที่ยอมรับทั้งหลายว่าท่านบรรลุอลหรหันต์แล้วนี่ท่านเด็ดขาดจริงๆหลายองค์ก็เขียนไว้อย่างนี้เราทุกข์มามากเหลือเกินเราจะไม่ยอมเกิดมาให้เป็นทุกข์อีกต่อไปชาตินี้เป็นชาตสุดท้ายสําหรับเรา ท่านยอมทุกยอมลําบากเพียงแค่ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราทุกขม์มากเลยเกินยอมลําบากมาสุดๆสักทีเดียวทําความเพียรให้หมันถึงที่สุดถึงชาติหน้าจะต้องไม่มีสําหรับเราลำบากที่อย่างไรก็ทนเอาสู้อดทนเอาเพื่อให้เป็นชาติสุดท้ายและท่านก็บรรลุสู่ความําเร็จ น, นะหลายหลายท่านสะเก็ดไว้ยงัง เราทุกมามากแเลยวรัเราจะไม่ยอมเกิดมาให้เป็นทุกข์อีกต่อไปจากนี้เป็นชาติสุดท้ายของเราถ้านมนาราพกันอุกใสเป็นแก้วเป็นผลึกกันเป็นเอาเขอนนะปัญใจเขา